เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจกายงานต่างๆยึ่งได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญ สร้างกุศลเพราะมีศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระบรมบาศาสดาพระอาหารหันตาสมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้และนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังมืดบอดด้วยอำนาจของโมหะความหลงอวิชชา ความไม่รู้กฎแห่งกรรมนี่ เ, เพราะชีวิตของวกเราทุกคนนั้นมีเป็นผลเกิดจากกรรมของที่เราทํากันมาทั้งนั้นคําว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าบาปแต่ในภาษาไทยเราจะพูดคู่กับบุญคือบุญกรรมแต่ความจริงคําว่ากรรมทางภาษาของพระ นี้เป็นคำกลางๆไม่บุญไม่บาปคือแปลว่าการกระทําการกระทํานี่แหละเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลตามมาต่อไปถ้าทําดีเป็นประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นไม่เป็นโทษกับตัวเราและผู้อื่นเราเรียกว่าบุญส่วนการกระทําที่ทําแล้วเกิดโทษ กับตัวเราหรือกับผู้อื่นหรือกับทังตัวเราและกับผู้อื่นและไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราหรือกับผู้อื่นอย่างนี้เราเรียกว่าบาปการกระทํานี้ก็ทำได้สามทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเราเรียกว่ากายกรรม ทางวาจาเราเรียกว่าวาจีกรรมทางมโนทางใจเราเรียกว่ามโนกรรมการกระทาที่เรียกว่าบาปทางกายนี้ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการเสพสุรายาเมา่าการกระทาเหล่านี้เรียกว่าบาปเพราะทำแล้วจะทำให้เกิดโทษกับตนเองและเกิดกับผู้อื่น ส่วนการกระทําทางวาจาที่เรียกว่าวจีกรรมที่เป็นบาปนี้ก็คือการพูดปดการไม่พูดความจริงเรียกว่าบาปโกหกหลอกลวงส่วนการกระทําทางใจที่เป็นบาปหรือเป็นอกุศลนี้เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงที่ เกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วก็จะส่งมาที่การกระทําทางวาจาและทางกายต่อไปเช่นเวลาเกิดความโลภอยากได้มากๆเวลาทามาค้าขายก็จะพูดโกหกพูดไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่คนเขามาเล่าให้ฟังว่าเวลาท ร, รมาหากินแล้ว รักษาศีลข้อพูดปดนี้ยากมากเพราะว่าต้องพูดให้คนที่เขาซื้อของนี้อยากจะซื้อของถ้าพูดตามความจริงแล้วกลัวเขาจะไม่ซื้อก็เลยพูดต้องพูดปดเพราะความโลภอยากขายของได้อยากได้เงินได้ทองมากๆนั่นเองความโลภจึงเป็นต้นเหตุที่จะทําให้ไปกระทําบา ทางวาจาและทางกายต่อไปถ้าโลกอยากได้อะไรมากๆแล้วไม่มีปัญญาที่จะหามาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทําบาปก็จะไปทําบาปเช่นอยากได้เงินมากๆ ก, ก, ก็ต้องไปช่อโกงไปลักทรัพย์แล้วถ้าเกิดมีความโกรธขึ้นมาภายในใจก็จะมีความแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะทําให้พูด ไม่ดีและทาไม่ดีคือไปทำร้ายผู้อื่นและอาจจะถึงกับทำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้ต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทาบาปทางกายทางวาจาและทางใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่ก่อเหตุคือต้นเหตุของการกระทาทั้งหมดถ้าใจคิดไปในทางไม่ดี คิดไปในทางโลภโกรธหลงก็จะพาไปสู่การกระทำที่ไม่ดีทางกายและทางวาจา จ, จะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีในทางตรงกันข้ามถ้าใจคิดดีคือใจคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงใจก็จะพูดดีทำดีคนที่ไม่โลภนั้นไม่จาเป็นที่จะต้อง โกหกหลอกลวงใครไม่จาเป็นที่จะต้องไปช่อกงไปทำผิดไปทำบาป <c oughs> ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะทำความดีเช่นพูดดีทำดีเราก็ต้องหมั่นคิดดีคิดไม่โลภคิดไม่โกรธและคิดไม่หลงการที่เราจะคิดดีได้เราต้องมี คำสอนของผู้ที่คิดดีมาก่อนมาสอนเราเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดดีด้วยการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาภายในใจปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาคือได้ยินได้ฝังอย่างวันนี้ญาติโยมกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่ เรียกว่าเป็นการฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ให้สอนใจให้คิดไปในทางที่ดีได้วันนี้เราก็รู้แล้วว่าความโลภความโกรธ ค, ความหลงนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปทำกรรมไปตกทุกข์ได้ยากไปมีเรื่องมีราวถ้าเราละเว้นการ โลกการโกรธการหลงได้เราก็จะไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับผลของการกระทาของเราที่วิธีที่จะทำให้เราไม่โลภไม่โกรธนั้นต้องอยู่ที่ความไม่หลงความหลงนี้เป็นตัวที่ทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักเป็นดอกบัวนั่นเองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอเราเห็นผิดเป็นชอบแล้วเราก็จะคิดไปในทางโลภทางโกรธทันทีเช่นเราจะคิดว่าถ้าเราได้เงินทองมามากๆเราจะมีความสุขมาก นี่ก็เป็นความคิดที่เป็นไปตามความหลงเพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้นั้นทรงเห็นว่าการมีเงินทองมากเกินความจำเป็นนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขแต่ถ้ามีพอต่อความจำเป็นต่อความต้องการก็เป็นสุขได้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้ามีมากเกินไป จะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะจะต้องเป็นภาระต่อเจ้าของที่จะต้องคอยดูแลรักษาและก็จะเป็นเป้าของมิจฉาชีพทั้งหลายเวลามีเงินมากๆ ก, ก็มักจะมีคนที่อยากจะได้เงินจากผู้ที่มีเงินมากๆและวิธีที่เขาจะหาที่ง่ายที่สุดก็คือการปล้นการจี้ก็จะทำให้มี เป็นภยัยแก่ผู้ที่มีทรัพย์มากๆจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังและจะต้องมีผู้คุ้มกันจะต้องเสียเงินเสียทองจ้างรอปภมาคอยปกป้องรักษาชีวิตของตนเองและของครอบครัวของตนด้วยเพราะถ้าเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินจากเราได้โดยตรง เขาก็อาจจะต้องลักตัวลูกหรือภรรยาไปเรียกค่าถ่ายนี่คือผลที่จะตามมาถ้ามีทรัพย์มากๆมีเงินทองมากๆแทนที่จะอยู่อย่างปลอดภัยอย่างสบายกลับต้องอยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวไปตลอดเวลาการมีทรัพย์มากๆนี้จึงไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์กัน แต่พวกเราไม่เห็นกันเพราะเราถูกความหลงครอบงำความมืดบอดความหลงนี้จะสอนให้เราคิดว่ามีเงินมากๆแล้วจะมีความสุขมากๆนั่นเองแต่ไม่เคยพิจรารณาเลยว่าเวลามีแล้วจะเกิดอะไรตามมาต่อไปนอกจากคนที่เขาจะปองร้ายแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ปองร้าย แต่อยากจะมาขอส่วนแบ่งจากเราเวลาเราไม่มีเงินนี้เราไม่มีญาติไม่มีมิตรเลยแต่พอเรารวยขึ้นมานี้ไม่ทราบว่าญาติมิตรนี้โผล่มาจากไหนกันมากันเต็มไปหมดเลยมาทั้งเช้าทั้งเย็นมาตลอดเวลาเราไม่รับแขกก็เราไม่ต้อนรับเขาก็จะถูกเขาหาว่าเร า, เาห่วงเงินหวงทอง เราไม่ช่วยเหลือเขาไม่ให้เขาเขาก็หาว่าเราเห็นแก่ตัวไม่รักเพื่อนไม่รักพี่ไม่รักน้องนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเรามีทรัพย์มากๆและความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราสูญเสียทรัพย์ไปเราก็จะทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่เราไม่มีทรัพย์เสียสมัยที่เราไม่มีทรัพย์นี้เราก็พออยู่ได้พอทําใจได้ แต่พอเรากลับมามีทรัพย์แล้วต้องกลับสูญเสียทรัพย์ไปหมดอีกเราก็จะทุกข์ทรมานใจมากอาจจะไม่สามารถอยู่ต่อไปก็ได้อาจจะค้าตัวตายไปก็ได้คนที่มีทรัพย์มากๆแล้วหมดเนื้อหมดตัวนี้เขาจะไม่มีกำลังใจที่จะอยากจะอยู่ต่อไป เขาจะคิดทำลายตัวเขาเองการฆ่าตัวตายก็ลองไปอ่านในข่าวดูส่วนหนึ่งก็เกิดจากการสิ้นเนื้อประดาวตัวหมดเงินหมดทองหมดหน้าหมดตาหมดศักดิ์ศรีไม่กล้าเจอหน้าใครอีกต่อไปนี่คือโทษของการมีทรัพย์มากเกินไปพระพเจ้าทรงสอนให้เรามีทรัพย์พอประมาณ ถ้ามีมากเกินไปก็ให้เอาไปแจกจ่ายเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นเงินที่เราเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นนี้จะจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะหนึ่งจะเป็นบุญเกิด ค, ความสุขใจเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจสองเราจะมีเพื่อนมากเราจะมีมิตรมีสาหายมีเพื่อน จะเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลาย 3. ถ้าตายไปเราก็จะไปสู่สุคติใจของเราจะมีสุคติเป็นที่ไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมกับใครนั่นเองถ้าเราให้ทางแล้วใจของเราก็จะมีความเมตตาจะไม่คิดอยากที่จะ ทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเวลาจะทำอะไรจะระมัดระวังจะคิดอยู่เสมอว่าทำไปแล้วทำให้คนอื่นเขาทุกข์หรือเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาทุกข์หรือเดือดร้อนก็จะไม่กระทำเพราะใจมีความเมตตานั่นเองนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าความสุขหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจงคือความไม่เที่ยงนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่าง มีเกิดแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการดับไปไม่มีอะไรที่จะอยู่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีมาและมีไปมีเกิดและมีดับเมื่อเป็นดังนั้นก็จะไม่สามารถไปยึดไปถือว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงถ้าอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง จะต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าอะไรที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเราจะไปบอกว่าเป็นของเราได้อย่างไรเช่ <c oughs> นเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าหายไปเราจะไปบอกว่าเป็นของเราได้อย่างไรเพราะมันหายไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วมันไม่เป็นของเราแล้วมันเป็นของคนอื่นขเขาไปแล้ว <c oughs> <ừ. S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ และกำลังแสวงหาอยู่นี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราไปอยากได้ไปยึดติดอยากมีอยากเก็บไว้กับเราก็จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราสร้างความกังวลกวายสร้างความหวาดระแวงสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวาดกลัวให้กับเรา ถ้าเราอยากจะมีความสุขสบายใจเราก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งต่ตางๆทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็ให้มีเท่าที่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือปัจจัยสี่นี้เองถ้าเรามีบ้านแล้วมีบ้านอยู่อาศัยแล้วมีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มพอเพียงแล้วมีอาหารรับประทานแล้ว มียารักษาโรคไว้รักษาโรคแล้วเราก็ควรที่จะพอแล้วอย่าไปหามากไปก่อนนั้นเราควรจะมาหาบุญดีกันดีกว่าเพราะบุญนี้จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขจะทําให้จิตใจของเราไม่มีความทุกข์บุญก็คือการชําระใจของเราให้สะอาดนั่นเอง คือเราต้องชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของเราให้ได้ความหลงที่ทําให้เกิดความโลภและเกิดความโกรธตามมานี้จะหมดไปได้ด้วยการศึกษาข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้เราก็ได้ฟังกับแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขนั้นอยู่ที่การกระทําของเรา ความสุขอยู่ที่การชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าใจเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไม่ไปทําบาปไม่ไปพูดในสิ่งที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะทําแต่ความดีใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุขตลอดเวลา และการที่เราจะไม่โลภได้เราก็ต้องสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้พอเราได้มาแล้วก็จะทำให้เราต้องทุกข์กับเขาไปการไม่มีจะดีกว่ามีเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไร ยกเว้นจากปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการรักษาร่างกายเท่านั้นแต่ถ้าเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถมีปัจจัยสี่มาเยียวยาดูแลร่างกายของเราได้เราก็ยังไม่เดือดร้อนได้เพราะเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจเราไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรถ้าเรารู้ถันว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะต้องอดอดตายไปเราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะเรากับร่างกายนั้นเป็นคนละคนกันนั่นเองเปรียบเหมือนพี่กับน้องน้องเป็นอะไรไม่ได้หมายความว่าพี่จะต้องเป็นไปด้วยแต่เนื่องจากพี่นี้ถูกโมหะความหลง ความมืดบอดครอบงำทำให้ไปหลงคิดว่าน้องเป็นตัวพี่พี่เป็นน้องเวลาน้องเป็นอะไรพี่ก็เลยเดือดร้อนแทนน้องไปทั้งๆที่น้องนี่ไม่เดือดร้อนเลยเพราะร่างกายนี้เขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาเจ็บหรือเขาตายแต่พี่ที่มา ดูแลน้องมาใช้น้องเป็นเครื่องมือนี้เป็นผู้เดือดร้อนเพราะว่าพี่นี้มีความรู้สึกนึกคิดแต่มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกต้องตามความจริงเท่านั้นเองไปรู้สึกนึกคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้แล้ว คอยสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดกับน้องคือร่างกายเหมือนกับไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายของคนอื่นที่เราไม่ยึดติดที่เราไม่รู้จักเป็นอะไรไปเราเดือดร้อนไหมเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์ที่เราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เป็นหลงไปยึดติดเขาว่าเป็นตัวเราของเรา หรือเป็นคนที่เรารักนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นถ้าร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรไปเราไม่เดือดร้อนเราก็สามารถที่จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายของเราได้แต่เราต้องฝืนความรู้สึกเก่าๆ ความรู้สึกเก่าๆนี้มันถูกฝังอยู่ในใจให้เราเดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายของเราเป็นอะไรไปดังนั้นเราจึงต้องมาปฏิบัติกันมาฝึกสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายด้วยวิธีการต่า ง, างๆเช่นไม่บำรุงบำาเลอร่างกายมากจนเกินความจำเป็นเลี้ยงดูร่างกายเป็นเหมือนเลี้ยงเหมือนเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งก็พอ ให้มันมีอาหารกินให้มีน้ําดื่มให้มีที่อยู่อาศัยก็พอแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเสริมสวยต่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับการบํารุงด้วยอาหารหรือยาต่างๆเพราะว่าอาหารจะวิเศษขนาดไหนยาจะวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปได้อยู่ดี อย่าไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายมากจนเกินไปเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆแล้วก็ต้องซ้อมหัดให้ร่างกายหัดให้ใจอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้เพราะว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บไข้ได้ปวด่วยเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยใจต้องรู้จักแยกออกจากร่างกายอย่าไปเจ็บกับร่างกาย เหมือนกับคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ปวด่วยเราไม่ต้องไปเจ็บกับเขาเราทำได้ถ้าเรารู้จักแยกใจออกจากกายด้วยการนั่งสมาธิแล้วเวลาที่ร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็อย่าลุกขึ้นไปอย่านีจากความเจ็บปวดอย่ากลัวความเจ็บปวด เพราะความกลัวความเจ็บปวดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ใจต้องทุกข์ทรมานใจทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเลยก็ต้องมาเจ็บเพราะกลัวความเจ็บของร่างกายถ้าเรามีอุบายวิธีที่จะหยุดความกลัวความเจ็บของร่างกายได้เราก็จะไม่เจ็บไปกับร่างกายพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนวิธีไว้สองวิธีด้วยกัน วิธีเรือกแรกนี้ท่านสอนให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเรานั่งแล้วเจ็บด้วยว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีการเจ็บปวดตรงตามส่วนต่างๆของร่างกายท่านสอนให้เราดึงใจออกมาอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าเราบริกรมรมแล้วใจไม่สามารถไปคิดถึงความเจ็บ ไปกลัวความเจ็บได้ใจก็จะหายเจ็บใจจะไม่เจ็บเลยนี่เป็นวิธีหนึ่งคือวิธีของสมาธิแต่เป็นวิธีที่เราจะต้องทาอยู่เรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่ร่างกายเจ็บเราจะต้องบริกรรมไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะได้อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องบริกรรมเลยที่จะทำให้เราไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปเลยเราก็ต้องใช้ปัญญา เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราต้องสัมผัสรับรู้เช่นเราต้องสัมผัสรับรู้กับเสียงเวลาเสียงมาสัมผัสกับหูก็ถ้าเรารู้จักแยกแยะเราก็จะสามารถรับรู้ได้อย่างสบายเช่นเวลาคนด่าเรา ถ้าเรารับรู้ว่าเป็นเสียงที่เราต้องรับรู้รับฟังแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดือดร้อนกับเสียงนั้นเพราะเสียงที่เขาด่าหรือเสียงที่เขาชมมันก็เป็นเสียงเหมือนกันต่างกันตรงที่เราเป็นแยกๆว่าเป็นคำชมและเป็นคำด่าเท่านั้นเองเวลาเจอคำชมเราก็ดีอกดีใจมีความสุขใจ เวลาที่เจอคำด่าเราก็มีความโกรธมีความเสียใจทั้งๆ ท, ที่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันถ้าเราไม่ไปแยกแยะว่าเป็นคาชมหรือคาด่าเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเช่นเวลาเราฟังภาษาของคนอื่นไม่รู้เรื่องเวลาเขาด่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเวลาเขาชมเราเราก็ไม่ได้ดีอกดีใจไป เพราะเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเพราะเป็นเสียงที่มาสัมผัสกับหูเราเท่านั้นเราต้องสอนใจเราให้ฟังแต่เสียงอย่างเดียวอย่าไปยึดติดกับความหมายของที่มากับเสียงนั้นคำด่าก็เป็นเสียงคำชมก็เป็นเสียงถ้าเราฟังแล้วเฉยๆมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าเราฟังด้วยความหลงไปชอบในคำชม ไปเปลี่ยนในความชังขึ้นมาใจของเราก็จะเกิดความดีใจเกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าเราดีใจแล้วเราก็จะต้องเสียใจเพราะมันเป็นของคู่กันเป็นของตรงกันข้ามถ้าเราชอบเสียงอย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องไม่ชอบเสียงอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเฉยๆกับเสียงเสียงไหนมาก็ได้เราก็จะไม่เดือดร้อนใจเช่นเดียวกับความรู้สึกของทางร่างกาย ร่างกายจะเจ็บหนื้อไม่เจ็บมันก็เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองที่เราสัมผัสรับรู้อยู่ถ้าเราไม่ไปเลือกไปรักไปชังกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายใจของเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจเราต้องพิจารณาหเห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เช่นความรู้สึกของร่างกาย บางเวลาร่างกายก็รู้สึกสบายบางเวลาร่างกายก็รู้สึกไม่สบายใจเราไม่ต้องไปเดือดน้อยกับเขาได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยอย่าไปมีความรักหรือความชังกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายนั่นเองดังนั้นวิธีหนึ่งก็คือเราต้องหัดชอบในความรู้สึกที่เราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบความเจ็บ เราก็ต้องหัดชอบความเจ็บให้ได้เวลาเจ็บแล้วก็อย่าไปขยับนั่งแล้วเจ็บก็อย่าไปขยับหัดนั่งไปเรื่อยๆพอนั่งไปนานๆเข้าก็จะชอบเองพอชอบแล้วก็ต่อไปก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจเหมือนคนที่ไม่ชอบกินพริกอย่างนี้เป็นต้นเวลากินพริกแล้วจะรู้สึกว่ามันเผ็ดมากจะทรมานใจแต่ถ้าเราฝืนหัดกินไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะชินกับรสของเผ็ดลดเผ็ดของพริกแล้วใจของเราจะหยุดต่อต้านพอใจเราหยุดต่อต้านแล้วก็จะไม่รู้สึกทรมานจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเผ็ดอย่าอย่างใดกับรู้สึกว่าอร่อยเวลาที่รับประทานแล้วไม่มีพริกจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาของใจ ความจริงใจของเรานี้สามารถกับรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ปัญหาอยู่ที่ใจเราถูกความหลงหลอกให้เรารักเราชังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองดังนั้นวิธีก้าก็คือเราต้องมารักในสิ่งที่เราชังและมาชังในสิ่งที่เรารักเราไม่ชอบความเจ็บเราก็ต้องหัดมาชอบความเจ็บเราชอบของหวานเราก็ต้องเลิกไม่ชอบของหวาน อย่างนี้ต่อไปใจของเราจะเฉยเฉยพะเวลาที่เราชอบของหวานนี้มันก็เป็นโทษได้เพราะร่างกายไม่สามารถรับของหวานได้มากเกินที่เขาจะรับได้แต่ใจยังชอบอยู่คนที่เป็นเบาหวานนี้ก็เลยต้องทรมานใจเพราะอดกินหวานไม่ได้หยุดกินหวานไม่ได้เพราะอยากกินหวานนั่นเองแต่กินไปแล้วก็จะทําให้เกิด โรคภัยขึ้นมาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราหัดไม่ชอบหวานเวลาอยากจะกินหวานก็หาของของจืดกินแทนอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่รู้สึกอยากจะกินของหวานอีกต่อไปถ้าเราเป็นเบาหวานเราก็ไม่ต้องกินยาได้เพราะเราสามารถที่จะควบคุมใจของเราได้สั่งให้ใจของเราไม่กินได้นั่นเองนี่คือ วิธีที่เราจะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้โลคไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้ถ้าเราไม่โลคไม่โกรธไม่หลงแล้วเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีได้นังที่พระพุทธเจ้าและผ้าสาวกทั้งหลายท่านได้ทำมาแล้วหลังจากที่ท่านได้ชำระความโลกความโกรธ ค, ความหลงหมดไปจากใจแล้ว การกระทำของท่านไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจารหรือทางใจนี้ล้วนเป็นการกระทำที่น่าเคาเรพเลื่อมใสศรัท ธ, ธาท่านพูดอะไรท่านทำอะไรนี้ไม่มีใครที่จะไปโกรธไปเกลียดเลยมีแต่จะชื่นชมยินดีตลอดเวลาพวกเราก็สามารถที่จะเป็นเหมือนกับท่านได้เพราะก่อนที่ท่านจะเป็นเป็นอย่างนี้ท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อน ท่านก็มีความโลภความโกรธความหลงมาก่อนแต่ท่านมีบุญที่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้นำเอาคำสอนของพพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาชำระความโลภความโกรธความหลงภายในใจจนหมดสิ้นไปพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราไม่เกียจคร้านถ้าพวกเราไม่กลัวความทุกข์ยากลาบาก ขอให้เราเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นการลงทุนเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่ลงทุนแล้วเราก็จะต้องทุกข์ทรมานไปกับการเวียนว่ายตายเกิดกับการแก่การเจ็บการตายไปไม่มีวังสิ้นสุดแต่ถ้าเรายอมทุกข์เพื่อที่เราจะได้ความสุขที่ถาวร เราก็จะทุกเพียงครั้งเดียวทุกเพียงชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเลยนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งเล่านำมาสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายจงน้อมเอาไปปฏิบัติและเราจะได้พบกับความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาววอนต่อไป